ท่านพระพิจิุรคทอปรบสุกท่านเราก็จะทำความเข้าใจกัเกี่ยวกับการเจริญวิปัสนากรรมฐานดโดยตรงเพื่อนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการปฏิบัติแต่ก่อนที่จะดำเนินการในหลักการของการเจริญวิปัสนากรรมฐานนี้เราก็ต้ทราบว่า พระพุทธศาสนานี่นะเป็นคําสอนของพระธรรมสมัมพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์เป็นคําสอนที่บริสุทธิ์เราพื่อองค์ประกาศคําสอนนี้น่ะไม่ใช่เพื่อลาบเพื่อยศเพื่อสั่เสริญเพื่อหาความสุขแต่ประการใดและท่านนาเอาสัจธรรมที่เป็นความจริง ามาสอนให้เราได้รู้ได้เข้าใจความธรรมะที่เป็นความจริงนั้นคืออย่างไรธรรมที่เป็นความจริงนั้นบอกว่าไม่วิปริตผันแปรโดยสภาวะลักษณะของครับคุณสมบัติประจําจตัวของสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราก็มั่นคงยั่งยืนอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเพื่อนวนจิตธรรมชาติรู้อารมณ์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 เยกยดขึ้นกับจิตใจของสัสตว์ของบุคในในคลใดๆก็ตามเลก็จะแสดงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่มีวิปิตสันกายจะเป็นอย่างอื่นสิกดีเจตสิกดีนี่ถ้ารวมเรียกว่านา ม, มาธรรมนา ม, มาธรรมเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราอันชีวิตแบบทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยนาม คือจิตกับเจตสิกนี่นตัวธรรมชาติรู้อารมณ์ันและแม้ในรูปธรรมเนี่ยผดดินรงลักษณะแข็งสัมผัสถูกต้องกายกระสายก็รู้สึกแข็งอ่อนผาดน้ำก็ไหลกาคกลุมซึมซาบไปตามสายพอผัดไปก็ร้อนหรือยเย็นผาดลมก็พึ่งตึงหรือเคลื่นไป ประสาตตาก็เป็นความใสที่สามารถรับรู้อารมณ์ได้จะเป็นตามหมูหมาตาไก่อะไรก็ตามเถอะท่านนี้จกะกุประสาทแน่นอนก็มีคุณสมบัติในการรับรู้รูปอารมณ์รับรู้คลื่นแสงสีต่างๆ่างประสาหูก็รับเสียงต่งางๆ่าได้นีธรรมชาติที่เป็นความจริงเขาไม่มีกริตความแปรเป็นอย่างนี้นบรรดารูปธรรมมากมายหลายกองหลายอย่างหลายชนิด ถึงในปรม์ธรรมท่ทแสดงถึง28ประเทส่วนในนามธรรมนัม้นมีจิตธรรมชาติรู้อารมณ์แยกแยงออกไปถึง89หรือ120ประเทศแต่โดยลักษณะของเขาก็มีอย่างเดียวคือรู้อารมณ์าส่วนการแค่เห็นลูกได้ยินเสียงน่นก็นแตกต่างกันด้วย อ, อารมณ์แต่จนจิตนะั้นเป็นตัวรู้ตัวรู้เห็นรู้ได้ยิน รู้ผิดรู้ลดรู้ทุ ก, ก, กต้องสัมผัสรู้คิดนิดไอ้ธรรมชาติรู้นัน่นเป็นอาการของจิตแต่อารมณ์ต่างๆทงัทง้ทงหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์นี้ก็มีรูปบ้างมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างมีรสบ้างมีผุดสะพารมณ์คือแข็งอ่อนเย็นร้อนเพิ่มขึ้นไปและแม้แต่เรื่องราวต่างๆทงัทง้งหลายที่เราคิดนิดสัง่งใจโดยสรุปแล้วล่ะก็ความจริงในโลกนี้มีสองสิ่ง มีรูปกรรมกับนามมารำกรนี้ถ้าเรารู้ความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราไม่มีสิ่งอื่นนอกจากรูปกับนามรูปกายเราทั้งหมดนี่เป็นรูปธรรมชาติจิตใจตัวที่รู้อารมณ์กับเพียริกี่ประกอบนี้เป็นนามมีรูปกับนามทำที่เป็นความ ถ้าปัญญาเราสามารถเข้าไปถึงความจริงของธรรมชาติของเีาแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ปัญญาเข้าไปรู้ความจริงคือรูปคือนามสองอย่างนี้กิเลสเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ผิดเพี้ยนไปจงแต่ความเป็นจริงเราไม่รู้โดยความเป็นรูปเป็นนามแต่รู้โดยความเป็นคนเป็นจัตเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นวัตถุสิ่งของเป่นไฟไม้สอยหรือเป็นข้าวปลาอาหาร ไม่ได้รู้จอดจงลงไปว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามธรรแต่ทีท่จริงในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น่ะค่มีฐานรองรับของรูปโดยส่วนใหญ่ในข้าวปลาอาหารในขนมนมเน ơi, ยเนื้อรูปธรรมเป็นส่วนใหญ่้นา ม, มาทํานี้คือเป็นตัวรู้โดยจัดแจงในการรับประทานให้มีการรู้รสสัมผัสจุต้องได้ในเป็นนามมธรรม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 ที่เราใช้เป็นไปในอาการเดินยืนนั่งนอนอเป็นรูปะขันส่วนจิตใจนั้นมีทั้งวิญญาณขันตัวรู้เห็นได้ยินได้ติดรู้รสถูกต้องสัมผัสนี่เป็นวิญญาณขันเป็นนามนามขันการสวยอารมณ์กามเสพอารมณ์ด้วยความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้า ง, า ง, างนี่เป็นเวทนาขันเป็นเวทนา เกิดความจำได้หมายรู้นี่เป็นสัญญาขันธและเจตสิกธรรมที่เหลืออีกห้าสิบประเภทที่เป็นอกุศลเจตสิกก็มีเป็นโฉภะเจตสิกก็มีแต่เป็นอัญยธรรมนาเจตสิกอืก่นๆที่นอกจากเวทนาและสัญญานั้นท่านจับให้เป็นสังขารขันธ์นี่แหละโยบดบาทาสําคัญของเจตสิกก็ อ, อยู่ในกลุ่มของสังขารขันธ์ เราจะทําบาปทาบุญเป็นเหตุให้ไปนรกขึ้นสวรรค์ไปนิพพานก็สังขารหละกฐานทุลักเป็นเจตสิกที่เป็นตัวกลางสําคัญที่จะปรุงแต่งจิตใจทั้งหลักให้ละอาดให้ใสสะอาดหรือประกอบเจติตใจของเราให้เจ้ามองสุขสุขะหากุศลเจติตประกอบเจติตใจ เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เองจึงฝากฝังไวงพุทธบริษัทนี่จะต้องรักษาจุดให้ปลดจากรกิเลสให้หมดจดจากจิตเพราะเหตุนันแหละการประพฤติษปฏิบัติในพระศาสนานี้เราปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากจิสไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาปารยักกระาำหรืกอาการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็ตาม เป้าหมายเขาถือว่าจะต้องเรียนเพื่อให้ปัญหจเก์ปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของธรรมชาติถ้าเรารู้ความจริงของธรรมชาติแล้วเนี่ยอิเล็เกเตไม่ได้ท่านบอกว่าสัจจและสุธิของคู่ ค, ความจริงกับความบริสุทธิ์คู่ ปักกาเขาไปรู้รูปรูน um e you know? mm. ้ำกิเีสเกิดไม่ได้เพราะสติปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของนามของรูปนะพวกเอาวิชาปกปิดความจริงไม่ได้ไม่ให้รู้ความจริงของนามของรูปไม่ได้ถราะปัญญาเขาไปรู้รูปรูนามตามตั้งิ่นผิดความเห็นผิดเข้าไปยึดรูปยึดน้มที่ผิดไปจากความเป็นจริงไม่ได้ปัญหา สิโลภาแล้วถ้าไปยึดรูปรยึดนามว่าเป็นของสวยของงามให้ความสุขสุขกายสบายใจแกเราได้มีปันหาและทิฐิมิสดขึ้นมาเพราะเหตุนั้นแหละการเรียนการศึกษาธรรมะต้องเรียนด้วยการที่จะนำออกจากทุก เลยจะต้องศึกษาเราเรียนไปได้วยความบริสุทธิ์ใจการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นไปได้วยความบริสุทธิ์ใจในถ้าเรียนก็เรียนไปถ้าศีลหรือไม่อจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปถ้าศีลสิ่ง ท, ที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นไปได้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นแ่ะหลักการสาคัญก็คือว่าจะต้องรู้อารมณ์<อ>ที่เป็นความจริง จิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นั้นเป็นธรรมชาติที่ถูกรู้แต่แต่รูปเสียงกลิ่นรสปุถัมอารมณ์ธรรมารมณ์เป็นจิตนั้นเป็นตัวรู้เพราะนั้นจะต้องรู้อารมณ์ที่เป็นความจริงรูปเสียงกลิ่นสรสปุถัมณ์นี้เป็นรูปเรียกว่าวิศยาลุเกเจ็บส่วนธรรมารมณ์นั้นมีทั้งรูปทั้งนามอารมณ์ที่รู้ได้คำฝั ง, งเช่น อาการปิยาอาการที่เราเดินยืนนั่งนอนเนี่ยเรารู้ได้ทางใจมันไม่ใช่เอาตาดูนั่งอยู่ไม่ใช่เอาตาดูเพราะตาดูไม่เห็นดูข้างบนที่ษาเราไม่เห็นดูข้างลา่างเรามองไม่ทั่วแต่ต้องอาใจรู้อารมณ์ใดที่ต้องใช้ใจเข้าไปรู้อารมณ์นั่นเป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์ได้แก่จิตทั้งหมด มีเป็นควา ม, ม, มอารมณ์เพราเรามองเห็นด้วยตาเมื่อไหาร่สัมผัสจุกเจ้าในใจเม่อได้ตาใส่ใจเป็นตัวตามรูเดียจะสิทธิทั้งหมดเดียนานมธทําเรามองมาเห็นตัวเลยถ้าใช้สังเกตจากปัญญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเอาไปพิสูจน์ว่าไอ้ตัวความโลภความมีมีจิตใจในอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไง ตัวอยากได้ในอารมณ์แต่ตัวไม่พอใจไม่อยากได้ในอารมณ์เป็นยังไงไอ้ตัวไม่รู้จักไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้จักอารมณ์นั้นเป็นยังไงโลภะโทสะโมหะและตัวความถิ่ผิดผิดไปจากความเป็นจริงเป็นยังไงพวกนี้เป็นสภาพของนามธรรมา ท, ที่จะต้องรู้ได้ด้วยใจเั่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางใจมัน ม, มีมากมายหลายองมีอารมณ์อกอย่าง ซึ่งรวมทั้งรูปเสียงทิ้งลดอุตส่าหารมณ์ตัวธรรมารมณ์เองด้วยต้องรู้ได้ทางในเพราะตาเราเห็นรูปได้เนี่ยแล้วลงท่งใจเพื่อจะให้รู้ว่ารูปที่เห็นนั่นเป็นอะไรเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นวัตถุสิ่งของอะไรนี่ต้องาศัยใจประมวลในไม่ถูถ้าเราเห็นตาเห็นรูปเนี่ยอยา่าประมวลไม่ถูกก็เห็นสีต่างๆ อู๋ไดยินเสียงก็ได้ยืนเสียงสูงแสีงต่านี่ยังเป็นปรมัตอารมณ์เพราะนั้นตัวอารมณ์ที่เป็นความจริงนั้นโดยย่อแล้วก็มีสองสิ่งรูปกับนามใชนไหมในตัวเราท่นนี้รูปกับนามเนี่ยเมื่อเขาแจกไปตามปรมาธรรมที่เป็นความจริงเขาแจกออกไปเป็นปรมัตาธรรมสี่ประาการเพราว่าตถาุตตาพิทามมัตถาจตุตาปรมัตโต จิตตังเจตสิกต่างรู้ังนิพพานนัมีจิตปรพันธ์บอกธรรมชาติทีเป็นความจริงแท้นั่นแหละไม่วิปรตพันแปลนั่นแหละมีดูดการสีส่อย่างทั้งโลกนี่มีดูดการสีส่อย่างในโลกมีสามอย่างนอกจากโลกมีอย่างหนะนึ่งคือนิพพานจิตธรรมชาตรู้อารมณ์เจตสิกธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปองกันจิ ต, ต, ตให้เป็นไปในการรู้อารมณ์ รูปดินหน้าไปลงที่ประชุมกันอยู่ในร่างกายของเรามีเป็นรูปจิตเจตสิก ร, รูปโดยยอดแล้วก็จิตเจตสิกนั้นเป็นนามไอ้รูปก็คือรูปกาทของเรานามรูปสองสิ่งนี้เป็นความจริงธรรมชาติที่จะไปรู้นามรูปตามความเป็นจริงได้นั้นนหละจิตรู้ไม่ได้ เลขาสิกิลื่นๆทั้งหลายรู้นามรู้รูปไม่ได้เว้นแต่ปัญญาปัญญาถ้าเป็นตัวรู้สภาพธรรมธรความจริปัญญานี้ได้มาจากไหนนะก็ได้มาจากการศึกษาครรือการสดบับาตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าปัญญานี้ตั้งได้จากพระพุทธเจ้าท่านบอกความจริงให้เรารู้คือรูปคือนามเนี่ยปัญญาเป็นผู้รู้ แต่ถ้ารู้เป็นคนเป็นสาวเป็นผู้หญิงผู้ชายไปเนี่ยนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสครับในสมมุติบรรญัติต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นที่อาศัยของกิเลสกิเลสเขาจะรู้สิ่งต่างๆทั้งหลายอย่าเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเป็นคนเป็นสาวเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวเราก็ชอบใจไม่ชอบใจก็มีสภาพทำอยู่สองสิ่งที่เป็นไปกับกิเลส ที่แปลสภาพมาจากอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลางเราเรียกว่านิวรณ์บังมีความยินดียินร้ายยินดีก็อภิชายินร้ายสะทกมนต์ขึ้นอยู่กับอารมณ์อารมณ์ที่ส่งมาให้รู้เนี่ยถ้าเป็นปีศารมณ์ความยินดีก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอ น, นิจฉารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีความยินร้ายจอโทสะก็เกิดขึ้นชีวิตเราเป็นไปอยู่อย่างนี้เพราะ ไม่รู้ความจริงของนามของรูปเสียงถ้าเรารู้ความจริงของนามของรูปแล้วเนี่ยอิจฉารมณิฉนนารมณเนี่ไม่มีอิทธิพลที่จะปรุงแต่งจิตของเราให้หวันไหวไปจับความโลภความโกรธก็เห็นว่าอารมณ์ที่เราได้รับนี่ไม่มีใครพระธรรให้เราจะเป็นรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมกูสนวิบากของเราเองเราทำไว้แต่นัดนเอง เราเป็นอานิสง์ของบุญของกุศลที่ส่งผลให้อิทธิารม์ต่างๆเหล่านั่นเราได้รับที่เรามีความสุขกายสบายใจอยู่ทุกวันนี้ยังไม่เก็บไข้ใดป่วยเพราะอานาจของบุญกุศลของเราเองต่อเก่าเี่ที่เราเคยทาบุญให้ทานเคยรักษาศีลเคยมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่างๆทั้งหลายอานิสง์ของกุศลทำเหล่านั้นเขาก็ส่งผลกลับมาให้เราได้รับผล เพราะนั้นเราไม่ได้ไปยินดียินร้าย dai, หรือว่าเป็นผลงานพิเศษอะไรแล้วเกิดจากกุศลกรรมที่เราทำํำไปแลกตรงกันข้ามกับเตือนสติให้เราจะทําความดีต่อไปว่ากุศลกรรมเขาส่งผลมาให้เราแล้วเนี่ยเราอย่าไปหลงอย่าไปตำหนี่ไปเพื่อเพลิพนใช้จิตพาลมที่เป็นผลของกุศลให้หมดสิ้นไปโดยกล่าประโยชน์ เราควรจะเอาอิทธารมณ์เหล่านี้น่ะไปทําคุณประโยชน์ไปทำกุศลต่อไปถ้าเราปรารถนาที่จะได้รับความสุขใจสบายใจแล้วเราก็จะต้องทห้ให้เป็นเป็นประโยชน์เหมือนเราแสวงหาสั้ามาได้เรามีเศรษฐกิจพอเพียงสมควรแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอานิสงส์ของบุญของกุศลที่เราเคยทำไม่ได้ไหน แต่ถ้าเราไม่ทำต่อไปเ ร, เรียกว่าเราบริโภคของเก่าไม่ทำต่อไปอานิสงค์ของกุศลกรรมมันก็สิ้นสุดลงไปเช่นนั้นเพราะนั้นคนฉลาดเขาไม่ได้บริโภคผลของบุญของกุศลที่เป็นอิจฉาลมได้รับอยู่อย่างเดียวเขาจะต้องคิดไปเสียตลาดไปทำบุญให้ทานไปทำบุญกุศลต่อไป เพื่อจะให้มีผลต่อๆผลดีต่อๆไปในอนาคตแต่คนไม่ฉลาดเขาก็เอาปัจจัยที่เขามีได้รับสินเงินทองไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในกันสนุกสนานเล่นเล่งหรื อ, ร อ, ร อ, ร อ, รอไปทำสุทุจัจจิตกรรมมีคนไม่ฉลาดรื่เขาเคยรับโทษต่อไปได้รับทุกต่อปเพราะเหตุ น, นั้นแหละชีวิตของเราเนี่จึงสำคัญอยู่ที่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 แล้ล่าสุดว่เหตุนั้นในพุทธศาสนานี้ท่านถึงฝากพุทธศาสนานี่ไว้กับพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็บริษัทผู้รู้คาสอนองพุทธศาสนานท่านปล่อให้พุทธบริษัททำอย่างไรให้ช่วยกันธนุบำรุงช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานรักษาไว้ด้วยวิธีดัน ท่านบอกไว้โดยการทำพุระในพระศาสนาสองประการคือคั้นข่าพุระเรียนคําสอนในพระศาสนานี่ให้เข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติในวิปัสสนาสุรานวิปัสสนาสุรานี่ก็คือการปบรมปัญญาให้เข้าไปรู้ความจริงของธรรมชาติเพราะดังที่เราศึกษาเราเรียนคําสอนอพระพุทธเจ้าเนี่ย เราจะเรียนอะไรกเราก็ต้องเรียนสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เรียนสัจธรรมตามความเป็จริงสัจธรรมทําความเป็นจริงก็คือรูปกับนามเรียนรู้รูปรู้นามไปตัวรูปตัวนามนี่พระพุทธองค์ท่านตัดว่าเป็นสัจธรรมสัจธรรมมีสี่อย่างเรียกว่าอริยสัจส ผู้เข้าไปรู้สัจธรรมนี่ไม่ใช่ผุ้ทุชนคนธรรมดาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการละอนุสัยกิเลสได้เป็นสมุเทเฉตตาอันอย่างน้อยที่สุดเป็นพระอริยะบุคคลขั้นพระโสดาบานันบุคคลหนึ่คือข้ามพ้นจากความผหผิดข้ามพ้นจากความเห็นผิดว่ารูปเป็นเรานามเป็นนามเ พ, มพราะตัวสักกายสิท ธ, ธินี่แหละ เป็นอนุสัยกิเลสที่เราจะต้องพึงชำระเขาก่อนต้องชำระเขาก่อนตัวทิฏฐานุสัยท่านเรียกว่าสกายอุทิศบั้งเรียกว่ า, กก า, วาอัตตานุทิศบัง้งความเห็นว่าเป็นตัวตนคนสัว์เราเขานี่ที่เราเห็นกันตามปกตินี่เป็นความเห็นผิดในพุทธศาสนา ความเห็นผิดต่างๆทั้งหลายของพวกบรรดาผู้ได้ฌานไปเกิดเป็นพรหมรูปพรมรูปภพร ม, มีมากมายห่ายกองที่ท่านแสดงไว้ในพรหมชานสุขเกี่ยวกับความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนามขันธ์หน้าของเราที่เป็นมาแล้วในอดีตท่านเรียกว่าปุพานตะกับปิจากกกกที่ผิมีสิบแปดอย่างมีความเห็นผิดสิบแปดอย่าง ส่วนความเห็นผิดในรูปนามขันห้าท่จะไปบังเกิดขึ้นในอนาคตเรียกว่าอปรารันจากกปิกาทิฏฐิมีหกสิบสองอย่างเนื้อความรายละเอียดนี้เร า, าหาอ่านได้ในประสูตรสุตันตปิฎกเล่มแรกในพรมชาณสูตรในปีคันิกายเล่มแรกจะแสดงความเห็นผิดของบรรดาพวกพรหมแต่ความเห็นผิดที่ออกไป หกสิบสองประการนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันออกไปจากความเห็นผิดที่เราไปพบมาในพุทธศาสนาออกไปจากสกายทิฏฐิทางนั้นแหละเห็นว่ามีตัวตนคนสตัตดเป็นเราเป็นเขาขึ้นเราเคยเกิดแล้วหรือไม่หนอเห็นในอดีตสงสัยความเห็นผิดมันเกิดเมื่อก่อนเราเคยเกิดไหม ถ้าเคยเกิดแล้วน้ำมันเกิดหรือรูปมันเกิดเกิดเป็นอะไรก็มีความสงสัยแล้วก็มีความเห็นผิดในอนาคตตายไปแล้วจะเกิดหรือไม่จะเกิดไปเป็นอะไรไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นความเห็นผิดที่คิดเอาชาดคะเนเอาหรือบางทีก็อาศัยพวกที่ไร้ฌาน ไปได้อารมณ์ที่เห็นผิดเขาก็เลยไปอธิบายให้เป็นไปกับความเห็นผิดพอพุทธองค์ว่าความเห็นผิดในทางพระศาสนานี่เนี่ยเรากล่าวว่าความเห็นผิดไปจากรูปจากนามเท่านั้นแหละที่เป็นรากเหง้าของความเห็นผิดเรียกว่าสกายาติทิหรือตัวอัตานาุทิทิเห็นว่าเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาตรงนี้แหละเราต้องต้องแก้ซะก่อน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 เลยเราแยกรูปไม่ออกแยกนามไม่ออกก็เลยเหมาวันเนี่ยเป็นเราเป็นเราเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิน่นเรารู้รสเราสัมผัสถูกต้องเราคิดนึกเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเราม่วงเราฟุ้งเราสนบนนี่คือสภาพของสักกายทิฏฐิเขายึดรูปยึดนามเอาไว้ ในการปฏิบัติธรรมในทางพระศาสนาส ก, กายทิฏฐินี้เป็นอนุสัยกิเลสตัวแรกเลยเลที่จะต้องกำจัดด้วยปัญญาปัญญานี่เขละอนุสัยกิเลสศีลละกิเลสอย่างหยาบสมาธิละกิเลสอย่างกลางปัญญาละกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนี่มีหลายอย่างหลายประเภท แต่ว่าสิ่งที่ปัญญาจะต้องละก่อนก็คือตัวสักกายทิฏฐิเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายยังมีสักกายทิฏฐิอยู่มีความเห็นผิดในรูปนามกานหน้าว่าเป็นอัตตาโสดตนอยสัตว์เหล่านั้นยังมีหนี้มีหนี้สินที่จะต้องไปใช้ในอบายคือยังไม่พ้นจากอาบาย ส้าสำคัญผิดว่าเป็นตัวตนคนสัตราเขาแล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เราขวนขวายให้สแสวงหาอารมณ์ภายนอกมาเป็นของของเรานี้การสแสวงหาอารมณ์ภายนอกให้มาเป็นของของเราเนี่ยจะเป็นไปโดยชอบทมก็เอาไม่ชอบทำก็เาโดยมากแล้วมักจะเป็นไปโดยไม่ชอบทมไม่สุดจริตเป็นไปกับทุจริตเ เพราะนั้นเราเห็นแมคหัว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยกิเลสของมนุษย์เรากิเลสของมนุษย์เราเนี่ยมีมากมายหลายลองลเยอะโดยมากไม่ค่อยเป็นไปโดยบริสุทธิยุตธรรมที่เขาออกข่าวคราวมันน่ะเลื่อนสวยเรื่องอะไรต่างๆทัางหลายเหล่านี้คือเป็นผลประโยชน์ที่ได้มาตามน้ำเราคิดว่าเรามีอำนาจหน้าที่ในการงานนี้แล้ว ใครจะให้รางวัลบ้างให้สินบนอะไรบ้างก็ให้ประโยชน์เข้าไปอันนี้ก็ไม่บริสุทธนะิ์เพราะนั้นสิ่งต่าง ๆ, ๆทั้งหลายเหล่า น, นี้กรรมต่างๆทั้งหลายที่จะเป็นไปโดยความบริสุทธิ์นี่จะต้องเป็นกรรมที่ไม่ได้ตาลบในลาบไม่ได้ตาลบในยศในสรรเสริญในความสุกดิ์แต่ต้องตาลบมาเพื่อลกักิเลสของเราเท่านั้นเพื่อลกักิเลสของเรา เพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วเนี่ยหลักคําสอนในพระศาสนาในอุวทาทปาติโมกท่านแสดงไว้ชัดเจนว่าสรรพปาปะส า, าอาการศนังก็พึงละบาปารรประทำต่างพวกกุศลสูปะสมบัติทาด้วยการหมั่นทำํำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตประโยชนธรรมนังทําจิตให้บริสุทธิ์ปกแผ้วเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นกี่องค์ก็ตามเถิดนโยบายหรือหลักคำสอนในศ า, าสนาก็จะต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกันเป็นแบบเหมือนเป็ น, นละบาป ท, ทั้งปวงละอะไรละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละได้ด้วยอะไรด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาทำกุศลให้ถึงพร้อม กุศลอะไรที่จะถึงพร้อมได้ก็ต้องอาศัยศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลที่จะไปทําทำลายกิเลสต่างๆทั้งหลายให้หมดจดไปได้แต่ว่าที่จะทําลายได้เด็ดขาดนั้นต้องอาศัยตัวปัญญาตัวปัญญาศีลละกิเลสเพียงตัดทางครับอาจารย์ละช่วขณะที่เราสามารถทานศีลอย่างวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือชั่วขณะเจตนาในการงดเว้นเท่านั้น ในวิรัติศีลหรือขณะที่เราสังวรอยู่เราก็มีศีลแล้วก็ละกิเลสอย่างยาบยากได้แต่ถ้าเราขาดเจตนาสมาทานขาดวิรัติขาดสังวรศีลก็มีบัติไปเหมืนนั้นเพราะนั้นศีนนลเนีละกิเลสได้ชั่วขณะเราเรียกว่าเป็นตดทางข้าพอาหารละได้ชั่วขณะขณะขณะที่ศีลมี ส่วนสมาธินั่นนะ่ะมีกำลังอำนาจที่จะข่มกิเลสไปข่มไม่เป็นวิถัมพนาปรารนตราบใดที่กำลังสมาธิยังมีกำลังมั่นคงอยู่องชานทั้งหลายสนับสนุนเต็มที่วิตกบอกวิตกละถีนามิทะนิวรนวิจารละวิจิกิจฉานิวรนปีติละพยาปาทานิวรน สุขละอุทัศจากภูจันิวร์เอกขตาละกามฉันทะนิวร์แต่ว่าท่านชูสมาธินี่ยกให้เอกคะะตาคือตัวสมาธินี่ก็เป็นประธานแล้วเราจะต้องอบรมองชันวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาด้วยให้มีกำลังเข้มแข็งถึงจะสามารถต้านทานพวกกิเลสอย่างกลางพวกนิวร์ให้สนุก้นวนะ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 แต่นั่นแหลกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องอาศัยปัจจัยร่วมประกอบมีศีลมีสมาธิและปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้สะดวกศีล ส, สมาธิปัญญาก็าคลา้ า, ลายๆกับอมฌานนี่แหละวิตกวิจารปิติสุขสนับสนุนเอกคตาสนับสนุนตัวสมาธิส่วนศีลสมาธินี่ก็ขับสนับสนุนปัญญาแต่ว่าจะต้องเป็นไปในอารมณ์อันเดียวกันกับปัญญา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 ยังไม่รู้จักศัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็เห็นชัดเห็นชัดเนี่ยท่านอนุสาสนาจารย์กองทับเรือนเดี๋ยวนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาของประเดยนธรรมสมาคมรู้จักกันดีมหาท่นนบผิวเกลย์ อ, อยู่วัดสัมพยาท่านเป็นประธานประธานที่ปรึกษาของประเด็นธรรมสมาคม ก็สุดท้ายคือเขาจะปิดการอภิตายการบรรยายธรรมที่ป ร, รียนธรรมเมื่อวันที่ห้าเดือนก่อนเ็ยังเชิญคณะเราไปพูดไปพูดธรรมมาแต่บอกโดยตรงว่าผมเรียนมาได้ความรู้จบสูงสุดในพระศาสนาป ร, รียนธรรมเข้าไปน์แล้วก็ศึกษาลาเพศเออกไปเป็นอนุศาสนาจารย์ของทัพเรือ รู้สึกจะเป็นนวะเอกพิเศษ แ, แล้วก็ปลดกเกษียณนอยู่ครับเคยอยู่ที่วัดสุวรรณารามบวชผมไปบวชก็เห็นแกมาย้ายมาจากที่อื่นมาอยู่ที่นะี่เดินแกเรียนวัดสัมพยาแล้วไปอยู่วัดภาวนาแล้วก็ไปอยู่วัดสวรรณารามก็ชักชวนกันตั้งโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นอาแกก็สนับสนุนเห็นดีด้วยแต่ก็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 เราเรียนเราศึกษาไปเราก็จำถ้ายโยนิโสมนสิการพิจารณาอารมณ์โดยแยกใครก็อกุศลเกิดพิจารณาอารมณ์โดยไม่แยกใครก็อกุศลเกิดพิจารณาอารมณ์โดยแยกไครนั้นนหะแยกไครอย่างไรแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนให้ความคิดพิจารณาลดแยกใครขึ้นท่านบอกต้องอาศัยปัจจัยถึงห้าประการโยนิโสมนสิการ ุูเพกระตาุญญตาอดีตกรรมเราเคยทําบุญทำํำกุศลมาแต่ชาติปางก่อนมีศรัทธามีความไม่โลภความไม่โกรธมีปัญญาเคยทําบุญทำํำกุศลมาแต่ชาติปางก่อนมาปัจจุบันนี้ก็มาเห็นประโยชน์ของการที่จะทําจิตให้เป็นกุศลในปัจจุบันนี้เราจึงหันเหมาศึกษาทำมาพพฤติทมปฏิบัติทำ ในภูเพกตาปุญญาตาเพราะนั้นที่เราเข้าวัดเข้าวามาศึกษาฟังธรรมเนี่ยบุญเก่ามีก่อนแล้วไม่ใช่เฉพาะมีใ น, นชาตินี้นยะบุญเก่ามีแล้วก็สนับสนุนให้เราได้ปัจจัยจากบุญเก่าเนี่ยมาสร้างกุศลบุญใหม่ในปนิประาป ก, กะารแรกภูเพกตาปุญญาตาเคยทําบุญทํากุศลมาใ่ชาติต่างก่อน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 ถ้าไปอยู่ในคุกในตารางนี้ก็ไม่เคยมีโอกาสหรือไปอยู่ในสถานเริงรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นปฏิรูประเทศสวะโดยมากเนี่ยจะบอกได้ไหมว่าวัดวาอารามเป็นประตูปฏิรูปรเทาสวะหรือเปล่าถ้าโดยสถานที่แล้วน่าจะเป็นแต่ไม่ใช่ไปอยู่ในประเทศที่สมควรอย่างเดียวละต้องอาศัยปัจใจกับสัพปริสูปนิสัย ต้องไปคบหากับสัจปรุติหรือสัตจปรุตผู้รู้สัจธรรมรู้จักนามรู้จักรูปต้องไปคบหากับท่านสัจธรรมสวัสได้ศึกษาเ ร, าเรื่องพระสัจธรรมคำสอนเรียนรูปเรียนนามอย่างที่เรากำลังศึกษากันต้องได้ยินได้ฟังเรื่องรูปนามที่เป็นความจริงรูปนามความจริงนี้ต้องเรียนพลามาทธรรม หรือถ้านายประใจกิจดุลก็ต้องเรียนอภิธรรมเรียนก่อนเรียนอภิธรรมเลยต้งเรียนกน็เพื่อจะให้เขา้าใจรูปเขา้าใจน่ะเรียนรูปเรียนนามไปทำไมตรงนี้แหละที่จะเอาไปทำลายตัวสกายทิทิความเห็นผิดเพราะความนี้เป็นมัคคาวรเป็นความเห็นผิดนี่แหละเป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพาน แล้วไม่กั้นนรกไม่กั้นระบายภูมิแต่กั้นมรรคผลนิพพานเพราะนั่นผู้ยังมีความเห็นผิดว่ารูปนามขันห้าเป็นอัตตาตัวเรานี่ดูก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดพลาดไร้การชากาจชะการอะไรละ่ะเป็นจะเพียงเห็นว่าเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขานี่แต่นี่แหละท่านบอกว่าเป็นวัฏฏภัย เป็นไทยที่ทำให้เราต้องเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครสามารถทำลายตัวส ก, กายอาทิตฐิได้นั่นแหละปิดประตูอาบายปิดประตูอาบายไม่ต้องไปนระกไม่ต้องไปเป็นเปรตอสุรกายเดรชนเพราะละมิชาาทิตฐิละส ก, กายาทิตถิได้มีพระโสดาบันบุคคลเป็นต้น ปิดประตูอาบและแล้วนอกนั้นยังมีหลักประกันคำประกันอีกกระโสดามันยังเหลือจาเกิดอีกกี่ชาติจัดเลือเกิดอีกกี่ชาติเจ็ดชาติเท่านั้นเองแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เราสามารถละสกายะพิฐีได้แล้วแล้วก็ <S 1> <S 1> นั่นแหละเราจะเปลี่ยนฐานะของปูทูชนเป็นพระอริยะบุคคลได้ ปิดประตูฮาบายเลยมีแต่จะเกิดในสุขติอย่างมากอีกเจ็ดเจ็ดชาติอย่างน้อยก็อีกชาติเดียวข็ไดเพราะฉ่านแบ่งโสดาบันไว้เป็นเอกพิชีโคลังโคละสส ต, ตุขขตาปรมาโสดาบันมีสามประเภทที่เกิดอีกเพียงชาติเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เกิดอีกสองถึงหกชาติก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าโกลังโละโสดาบัน ที่เกินอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติเป็นที่สุดเรียกว่าสัจจุขตะประมาะโสดาบเพราะทำลายความเห็นผิดสกายอภิติเพราะเหตุ น, นั่นแหละในการประพฤติธปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อทาให้ใจสงบหลักการสำคัญไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อทาให้ใจสงบ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 ท่านบอกนิสตัตานิทิวะสภาวะปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาแต่ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมธรรมชาติของสภาวธรรมนั้นได้แก่อะไรรูปกับนามสองอย่างแก่ก็ไปเป็นขันห้ารูปขันหนึ่งนามมาขันสี่แกเป็นอยนายตนะสิบสองรูปอยายตนะสิบนามอยายตนะหนึ่ง ทั้งรูปทั้งนามอีกนั์นเรียกว่าอายตนาภายในหกภายนอก6กรูปนามนี่แหละแจกไปเป็นธาตุมีสิบแปดรูปธาตุสิบวิญญาณธาตุเจ็ดทั้งรูปธาตุนามธาตุธรรมธาตุอีกหนึ่งเป็นสิบแปดแจกไปเป็นอินทรีย์ยี่สิบสองความเป็นใหญ่ในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับจนเป็นรูปอินทรีย์แปด รปอินทีแปดโดยสภาวะรูปอินทรีย์แปดก็มีตาหูจมูกลิ้นกายภาวะรูปเพศหญิงเพศชายธัตไทยวัตถุและก็ชีวิตรูปจากขุนศีโสตินรีคานินรีจิวหินรีกายินศีแล้วก็อิทินรีปุริศินรีชีวิตินศีรูปอินทรีย์มีแปด นามอินทรีย์ก็มีแปดเหมือนกันโดยแยกจากมนินทรีย์จิตทั้งหมดเป็นมนินทรีย์เวทนาเป็นเวทนาอินทรีย์เป็นเวทนาอินทเป็นมนินทรีย์เวทนาอินทรีย์มีสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์สมณะขินทรีย์โทมัณะขินทรีย์อุเปกขินทรีย์นี่ทั้งนับหนึ่งเดียนับเวทนาอินทรีย์ห้านี่นับหนึ่ง จิตทั้งหมดนับมานินสีเป็นนามอินรีสองอย่างชีวิตอินทรีเจตสิกสามศรัทธาศตินรีวิริยินสีสมาตินสตินสีสมาตินสีพันยินสอีกห้าเป็นแปดนะครับขยายออกไปจากรูปินทรีนามอินสีสัจจาศทุกขสัจจ์รูปนามขันห้าเนี่ย ทั้งรูปทั้งนามที่ยังเป็นไปในโลกยังต้องเวียนเกิดเวียนตายในโลกเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ขัดจัดสมุทยัทยสัจจะคือตัณหาโลภะตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะคือพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกข์พระนิพพานนี่พ้นจากทั้งสงเคราะห์เป็นนามเพราะไม่มีรูปจะไม่ใช่นามมาขันสงเคราะห์เป็นนามมาทำ เป็นอารูปธรรมก็ไม่มีรูปพนิพานเป็นอารมณ์ที่พ้นจากขันแต่ไม่ใช่นมามขันไม่มีรูปนั่นเองสงเคราะห์ว่าเป็นนามเป็นธรรมที่พ้นจากโลกอันนี้ก็เป็นนิโรธาสัจจะและเจตสิกแปดตัวที่เป็นองค์มรสมารถิสัมมาสังกัปปะวีระติอีกสาม สัมมาวยมายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นตัวองค์มรรคย่อในองค์มรรคแปกก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัตินี่พราะนัปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อลักิเลสของเราเองนะ่นะที่เรามาปฏิบัติเนี่เราจะมาฝึกอัดการลักิเลสของเราเองเนะี่ยลักิเลสของเราเองลักกิเลสตัวแรกอะไรลนะ่ะ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 หรือว่านี่รูปนั่งนะกำลังนั่งอยู่ในอาการท่าทางอย่างนี้เรียกว่ารูปนั่งแน้ามเป็นผู้ดูนามก็เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดเดินยืนนั่งนอนด้วยและตัวผู้ดูผู้อ่านนามนั้นก็คือตัวสติปัญญานั่นแหละที่เป็นผู้อ่านเป็นผู้อ่านอ่านรูปครับเพราะนั้นในพุทธศาสนานีนะ่ท่านบอกว่าจะรักษาพุทธศาสนาไว้ให้ดารงคงมั่นอยู่ได้เนี่ย พุทธบริษัทต้องทําธุระสองประการคันถาธุระคือเรียนคําสอนของเราสถาคุให้เข้าใจเรียนอะไรพระพุทธศาสาศนามีทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เรียนเ้าเราเรียนแก่นธรรมให้รู้แก่นธรรมเหมือนต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องเก็บใบไม้มาทีละใบเก็บดอกไม้เก็บผลไม้มามันต้องไปรูปที่เปลือกที่กระพี้และเอาแก่นแก่นธรรมที่เป็นสจัจธรรมนั่น คือรูปคือนามเป็นแก่นความที่มีในโลกนี้คือรูปคือนํามมีอยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นแหละแต่คนอื่นเราไม่รู้เขาเรารู้ที่ตัวเรารูปน้ําที่ตัวเราคนอื่นเขานั่งเนี่ยเขาเป็นทุกเรารู้ไหมไม่รู้ถ้าเรานั่งเมื่อยเป็นทุกเรารู้ไหมรู้คนอื่นเขามีความอยากได้อยากจะรับประทานอะไรบางคนสูบบุหรี่อยากบุหรี่ เราไม่รู้ครับเราเพราะเราไม่เคยสูบปุรีก็เท่าเราไม่รู้ถึงใจรูปก็เป็นยังไงนามก็เป็นไงเราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงนั้นต้องดูรูปนามที่ตัวเราถ้ารู้รูปนามที่ตัวเราแลว้วก็จะแยกแยกธรรมชาติสองสิ่งออกจากกัน ร, รูปอันหนึ่งนามอันหนึ่งเป็นคนละส่วนกันีน่ขั้นแรกของการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องใช้สติใช้ปัญญานี่เขาไปแยก รูปแยกนามที่เขารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นเรียกว่าทําลายคณะสัญญาคณะสัญญาคือจําธรรมะที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของนามของรูปที่รวมจําผิดไปจําผิดว่าเป็นเราเพราะอํานาจของโมหะอาวิชชาเขาปกปิดไม่ให้รู้รูปรู้นามเพราะอํานาจของตัณหาและทิฏฐิเขาไปยึดรูปนามว่าเป็นเรารูปนั้นให้ความสวยงามแก่เราได้สุภาพวิปลาสเกิด นามเวทนานั้นให้ความสุขแก่เราได้สุ ข, ข่าววิปลาสเกิดนามจิตของเราเนี่ยทําให้ความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าจิตของเราเนี่ยเพี้ยงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจิตเรายังอยู่เลยจิตใจขเขายังอยู่มาไม่ไม่แตกดับไม่สูญสลายไปนี่จะวิปลาสก็เกิดจํารูปนามขันห้าที่เป็นกลุ่มก้อนประชุมกันว่าเป็นตัวเราอัตตาวิปลาสก็เกิดในวิปลาส ความสำคัญผิดในรูปนามขันห้าที่เขาประชุมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็ทำให้เกิดความสำคัญผิดสี่ประการวิปลาสธรรมสิมีสุภภาวิปลาสสำคัญว่ารูปกายให้ความสวยงามแก่เราได้สำคัญว่าเวทนาให้ความสุขกายสบายใจแก่เราได้สำคัญว่าจิตนั้นเที่ยงสำคัญว่ารูปนามขันห้าเป็นอาตาตัวเราเป็นตัวตนจริงมันไม่ใช่ทั้งนั้น แล้วสิ่งที่เราสาคัญผิดนี่ก็ไม่ใช่มาสำคัญผิดเดี๋ยวนี้นะเขาฝังมานมนานกาเลยแล้วเป็นความรู้สึกของอุปาทานกิเลสของตัณหาและทิฏฐิท้าเรียกว่าอาสวะกิเลสอวิชชาตัณหาทิฏฐิอาสวะทำ ม, มันหมักหมมจมอยู่ในจิตสันดานของเรามาเป็นเวลานานแล้วถ้าตราบใดเรายังไม่ได้พบ เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วล่ะก็ไม่มีหวังไม่มีหวังที่จะไถ่ถอนความเห็นผิดนี้ได้เพราะนั้นเราก็ทราบแล้วว่าสิ่งที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์ไม่รู้จักพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะตัวความเห็นผิดในรูปนามขันธ์ห้าว่าเป็นอัตตาตัวเราเคือสักกายะทิติทันทีตัวส ก, กายทิตินี่เป็นมหันตภัย เป็นภัยอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าสกายะทิฏฐิไม่มีไม่มีคนที่ถูกประหารชีวิตจะด้วยปืนยิงก็ตามด้วยเข็นจิตยาก็ตามเถอะตายแล้วก็เกิดใหม่ได้แต่มิจฉาทิฏฐินี่ยไม่ลบถ้าไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลบไม่ออกก็จะเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรื่อยไปเนะี่ยอยู่เรื่อยไปเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนะี่ยเราจะเห็นได้ว่า พวกฝลังบางข้าชาวต่างประเทศนี่เขาก็สนใจพุทธศาสนาแต่โดยมากเขาสนใจแต่เพียงสมาธิเท่านั้นเลยทําจิตให้สงบสมาธิเข้าไปบวชที่วัดหน้องป่าพงหลวงพ่อชาบัง้งเนี่ยเข้าไปตั้งวัดนานาวัดป่านานาชาติบัง้งเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ฟั่นบัง้งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทําสมาธิกันเท่านั้น เ, นเขาเข้าใจแค่นั้น ไอ้ที่จะไถ่ถอนเราอัตตาตัวตนคนสัตว์เราเขานี่ถอนไม่ออกเพราะวาสนาบารมีในอดีตเขาเนี่ยเขาไม่ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่เป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับรู้อะสัจธรรมตามความเป็นจริงท่านบอกว่าต้องอบรมปัญญาของเราเนี่ย เริ่มต้นต้องอบรมปัญญาของเรานี่แยกรูปแยกน้ำออกจากตัวตนคนศาสตว์เราเขาสัก่อนให้เห็นรูปโดยความเป็นรูปให้เห็นน้ำโดยความเป็นน้ำเมื่อเราแยกรูปโดยความเป็นรูปน้ำออกความเป็นนามแล้วเนี่ยเราจึงจะเห็นอาการเป็นไปของรูปอาการไปของน้ำถ้าเราไม่แยกรูปแยกน้ำออกจากกันแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเห็นอาการเป็นไปของน้ำของรูปได้เมื่อเราแยกรูปแยกนามออกจากกันไปแล้วเนี่ย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 หาบุคคลเป็นครูบาอาจารย์โดยตรง ไ, ได้แล้วใครเป็นผู้สอนให้พระพุทธเจ้ารู้ล่ะธรรมชาติตัวสภาพธรรมที่เป็นนามเป็นรูปนั้นที่ท่านตรัสไว้ในอุปาสิสสุพอตักาก็จะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามเถิดธรรมชาติธรรมดาหรือสภาวะธรรมนั้นเขามีอยู่แล้วเขาเป็นไปโดยอาการ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 เมื่อเขามีเกิดความเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาของเขาจึงประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกขนะนตต่งรู้อย่างนี้แล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มหาศาลหนึ่งราเหตุว่าทุกวันนี้เนะี่ยอำนาจของอุปาทานกิเลสคือปัญหาและทิศโดยมีอวิชชาเป็นตัวสนับสนุนเราเรียกว่าอาสวะกิเลสก็ได้เรียกว่าโอฆก็ได้เรียกว่าโยฆก็ได้ คือเป็นธรรมที่ฝังจมอยู่ในสันดานของเราเรียกว่าอาสวะเรียกว่าโอคะเพราะว่าธรรมเหล่านี้เนี่ยอวิชชาตัญหาทิดผิดเนี่ยเป็นเสมือนห่วงน้าที่ท่วมทับสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในค้นมหาสมุทรท้นน้เนี่ยความโง่ความโลภความเห็นผิดสามตัวนท่วมทับเราให้จมอยู่ในน้าทำยังไงถึงจะกู้ขึ้นล่ะ ส่วนอาสวะนั่นบอกเหมือนของเมามุนสุราทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องลุ่มหล ง, งงงงวยไปหมดมุนเมาไปไม่ให้รู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีเอาวิชาตันหาอุปาทานมันยดึดลกูกยึดนามไว้อย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเราตัวตนคนสัตว์เป็นเราเป็นของของเราเพราะเหตุ น, นั้นแหะ ทำไมเราถึงกลัวตายคนใกล้จะตายมีกลัวตายทำไมอะไรในรูปนามขันห้าของเราปัญหาและทิฏฐิมันยึดไว้เจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยเอาแล้วเลือดเนื้อร้อนใจแล้วเออเนี่จะถึงตายหรือไม่ตายนะเป็นความยึดยึดถือตัวเราเพราะนั้นรูปนามขันห้าของเราเนี่ พออายุมากเข้าไอ้ความชราภาพมันมีเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เดือดเนื้อร้อนใจมากเป็นทุกข์มากอยากหายอยากสบายนี่เพราะอุปาทานขันเนี่ยมันยึดลุ่มนามขันหน้าว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราตัวอุปาทานกิเลส น, นี่เอาออกยากที่สุดเป็นตัวมรทาวรปิดท่านไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะนั้นเราจะต้องเอาปัญญาเข้าไปหรือสัตว์ขนสัตว์ที่ท่านใช้ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ตั้งสัจจารถิฐานว่าจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัตถุกหรือสัตว์ขนสัตว์ในรื่องอะไรหรือสิ่งที่เราสําคัญผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาออกไปให้เขารู้ความจริงว่ามีแต่รูปนามนะั้ สัตบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีวันนั้นเรื่องนี้เป็นงานใหญ่งานใหญ่ทำไมถึงเป็นงานใหญ่ละ่ะที่จะลื้อสัตบุคคลตัวตนเราเขาถ้าไปรูปรูปนามเ น, นี่ยเป็นงานใหญ่ยากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นงานอบรมปัญญาที่จะไปแจ้งพระนิพพาน จะทำให้แจ้งผลิตภัณฑ์เพื่อความพ้นทุกข์จะถ้าเราทำงานการนี่จะทำราชาการมือธุรกิจส่วนตัวของเราอีกมันเป็นกิเลสอุดหนนอยู่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้กำไรดีมีผลดีก็ดีมีอยู่ได้ํดำลงคงอยู่ได้หรือรับราชาการมีเงินดาวเงินเดือนขึ้นมาเลี้ยงชีวิตของเราได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ มันอยู่ไดเราทํางานอยู่กับกิเลสแต่ถ้าจะให้เราทํางานเพื่อการเสียสละการละกิเลสเนี่ยยากเพราะฉะนั้นการจะไปพระนิพพานเนี่ยคือการทํางานเพื่อละกิเลสในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจึงทํำยากไม่เหมือนสมาธิสมาธิเนี่ยเขามีกิเลสเป็นปัจจัย พอจิตสงบข่มกิเลสนิวรอนไว้แล้วเนี่ยเขาได้ความสุขสุขกายสบายใจเพราะในองค์ฌานมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกขัตตังใจสงบได้ความสุขเพราะนั้นก็ทําฌานแล้วก็ติดสุขสุขในฌานสบายไม่ปวดไม่เมื่อยนไม่ต้องไปใช้นวดแผนไทยแผนไทยไม่ต้องไปออกกําลังลกันมากมายใจต่อเขาก็มีความสุขความสบาย ไอ้ความสุขนั้นกลับไปเป็นอารมณ์ให้แก้ปัญหาแก่กิเลสคนชอบสบายกิเลสมันชอบถ้าเราสบายเมื่อไหร่ละกิเลสเข้าอาศัยรูปอาศัยนามนั้นตันติแต่ถ้าเราไม่สบายเมื่อไหร่ปัญหามันเข้าอาศัยไม่ได้แต่ใครอาศัยละควาไม่สบายกายไม่สบายกายของเราทูตากมันเข้าไปอาศัย ปัญหามันเข้าไปอาศัยไม่ได้ปัญหามันอาศัยความสุขแต่โทสะเนี่ยกับปัญญาเนี่ยมันอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันโทสะกับปัญญาเนี่ยอารมณ์เดียวกันแต่ต้องพิจารณาอารมณ์ให้แยกใคยพิจารณาอารมณ์ให้แยกใคยแล้วแล้วก็ปัญญาได้ปัญญาถ้าพิจารณาอารมณ์ไม่แยกใคยได้โทสะได้โทสะอนิจังไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอารมณ์ทั้งโทสะก็ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของรูปของนามแล้วเนี่ยโอ้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของรูปนามของใครก็ตามเจอมีก้นมาแล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วลระก็ปัญญามันก็เกิดบอกกล่าวไว้ก่อนว่าการปฏิบัติลึศสนาคมฐานนี้ ยิงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่เราได้ประสบความสุขให้รู้ตัวไว้ก่อนถ้าประสบความสุขเห็นการปฏิบัติเป็นสุขแล้วล่ะก็อันนั้นไม่ใช่ทางของวิปัสสนาไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์แทางที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนตัตตะอันนี้ถารมทางนั้นอันนี้ทางมทางนั้นแต่ว่าทำไมผู้ปฏิบัติเขามีกำลังใจ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 เดินมาตามทางนี้นนเพราะนั้นต้องสร้างขันติบารมีขันติเนี่ยความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ปัญญาท่านบอกขันติปรมังตะโปธีติขาขันตินี่เป็นตบะอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคคล น, นั่นพ้นจากทุกข์หลัก น, พา น, านิพานังปรมังอ่าอ่านิพานนิพานเราเป็นยอดแห่งความ สงบสุขแห่งสันติสุขอย่างนี้คือพ้นทุกข์ต้องอาศัยบบตบะความเพียรความเพียรกับขันติขันติบารมีวิริยะบารมีนี่ต้องเป็นปัจจัยด้วยกันสนับสนุนกันเพราะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการอบรมปัญญาให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมคือนามคือรูปนามรูปที่ไหนล่ะ ที่ตัวเราที่เรายึดถือว่าเป็นเราเนี่ยนะต้องดูนามรูปที่ตัวเราไม่ใช่ไปดูที่คนอื่นคนระับเพราะฉะนั้นเมื่อเราประสงค์จะดูนามรูปที่ตัวเราแล้แล้วก็อ่านหนังสือได้ไหมอ่านหนังสือแล้วจะรู้ตัวเราได้ไหมรู้รูปนามที่ตัวเราได้ไหมไม่ได้พูดโทรศัพท์จะรู้ที่ตัวเราได้ไหมไม่ได้จนะึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ย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 ไม่งั้นงานนั้นไม่สําเร็จหรือไม่หุงข้าวก็ข้าวไม่ต้มแกงก็แกงไม่เพราะเรามาดูรูปรูนามของเราแค่แล้วมันย้ายอารมณ์มาจากงานที่ทําเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงทํากิจการงานอื่นๆที่บอกว่าในชีวิตประจําวันของเราได้เนะี่ยไม่ใช่อันนั้นได้แต่เพียงมีสติเท่านั้นเองจะทําอะไรให้มีสติว่าเรากําลังอ่านหนังสืออยู่กําลังําครัวอยู่ กำลังถูบ้านอยู่อะไรต่างๆมิสติแล้วนั่นเองเพื่อจะให้การงานนั้นสําเร็จรูปลุ่งไปด้วยดีแต่ไม่ใช่การงานในการที่จะละ ก, กิเลสของตัวเราเป็นการงานที่เพื่อเป็นประโยชน์ในความเป็นอยู่ของเราะจะซักผ้าจะอาบน้ําจะถูเรือนเนี่ยจะหุงข้าวต้มแก ง, งนะั่นแ่ะเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเราไม่ใช่เพื่อจะเอากิเลสออกไปเพื่ออาศัยป้อนกิเลสให้ตัวเรา ถ้าเรามานาัสิการไม่ดีเนะี่ยเราเสวงหายกิเลสเข้าตัวเราแต่ถ้าเรามานาัสิการให้ดีลนะ้านนึ่งเราทําการงานนั้นเพื่อแก้ทุกข์เราซักผ้าเนี่เพื่อแก้ทุกข์นะเสื้อผ้ามันสกรปรกเหม็นสาบถ้าเราสวมใส่ไปนะนะั่นแหะเป็นทุกข์เราซักผ้าซะให้มันสะอาดจะได้สวมใส่ได้ไอ้มันไม่ได้เป็นกังวลในจิตใจของเราถ้าเสื้อผ้ามันสะอาดแล้วก็โล่งใจปลอดโปร่งโล่งใจกัน แต่หุงข้าวต้มแกงเพื่อรับประทานอาหารเพื่อแก้ทุกข์นะนี่เรามาน้าสิการจะให้ปัญญาเกิดอย่างนี้ได้ทาให้ฉะนั้นแล้วละก็กิเลสเขาก็ตามอาศัยอยู่ด้วยปแต่พวกนี้เราโยนิโสได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองจะซักผ้าเพื่อแก้ทุกข์จะหุงข้าวหุงปลาเพื่อแก้ทุกข์อะไรได้แต่เดี๋ยวๆมันเป็นจินตนาการเป็นความคิดใ น, นท่านั้นเองแต่ว่ามันกันกิเลสไว้ได้บ้าง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 เอาอะไรปฏิบัติก็ใหม่รูปเนี่ยเราจะได้ใช้งานเพื่อปฏิบัติทุกเริ่มต้นที่เราปฏิบัติกันเนี่ยตัวใช้งานคืออะไรเริ่มต้นในการทำงานเลยตัวสติตัว ส, ต, ต, วสตินี่เป็นตัวแรกเลยเนี่ยเป็นตัวบุกเบิกต้องแต่ใช้เขาทำงานนี่ต้องตั้งสติไว้ก่อนต้องตั้งสติที่ปัจจุบันอารมณ์ที่รูปที่กาลังปรากฏที่นามกับางปรากฏเนี่ย เราต้องเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านให้ปฏิบัติตามสติปัฏฐา น, นท่านชี้ที่ตั้งของสติไว้ให้คนมีกิเลสหนาปัญญาน้อยกันให้ตั้งสติไว้ที่รูปคนมีสติอ่าคนมีกิเลสหนาปัญญากล้าให้ดูเวนามเวทนาคนมีทิฏฐิปัญญาน้อยให้ดูจิตมีทิฏฐิกล้าปัญญากล้าให้ดูธรรมทั้งรูปทั้งนาม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 บางร้านสดแน่นเลยทีเดีเด็กไปยืนคอยกันมีคอมพิวเตอร์ไปนั่งเล่นเกมเล่นอะไรกันอินเทอร์เน็ตต่างๆทั้งหลายได้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเนะอะไรส่วนมากเป็นอารมณ์ของกิเลสเนี่ยแยกเป็นการ์ตูนบางเป็นภาพโพสภาพเลยืยอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมากแล้วใครจะไปควบคุมครับนี่แหละพวกนี้ วิทยาการในปัจจุบันนี้มันวัตถุรูปมันจเจริญวัตถุรูปมันจเจริญกิเลสมันก็เพื่องูตัญหาเนี่ยแหละมันงอกงามเพราะนั้นจึงตั้งสมมุติฐานว่าคนในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยปัญหาจริตกิเลสหนาปัญญาน้อยปัญญาที่จะไปรู้รูป ร, รู้นามเนี่ยหาไม่ได้กี่คนแบบปัญญาน้อย เพราะนั้นคนยุคใดสมัยใดกิเลสหนาปัญญาน้อยเนี่ยท่านให้ดูรูปดูรูปกายของเราเดูรูปกายของเราดูรูปกายแล้วเนี่ยดูพิจารณาอิรยาบทเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาอิรยาบทตามอ่านียรยาบทของเราเดี๋ยวก็เห็นทุกข์จากเขาจะเห็นทุกข์ก่อนส่วนอ น, นิจจังอนัตตานั้นยังมองเห็นยาก แต่ว่านั่นแหละที่เราจะดูรูปอิริยาบทนั่นแหะเริ่มต้นมันก็ทําลายคณะสัญญารู้รูปนั่งไม่ใช่เรานั่งหรอกบรู้รูปนอนไม่ใช่เรานอนแต่ไม่จะคิดนึกเอาต้องใช้สติสัมปชัญญะเจาะลงไปที่สภาวะของรูปนั่งด้วยความรู้สึกตัวเวลานั่งแล้วก็รู้สึกในอาคารภ้าพางที่นั่งออรูปนั่งเขารับรองความรู้สึกเหยียดเมื่อไหรเราจับความรู้สึกรูปนั่งได้ ไอเรานั่งมันหมดมันออกมันถอนออกไปสมมาทิทิมันไปขับไล่นิชชาทิฏฐิออกมันก็รู้สึกว่าเป็นรูปนั่งเรานอนรู้สึกในรูปนอนครั้งหนึ่งเรานอนออกรู้สึกในรูปเดินครั้งหนึ่งเราเดินออกรู้สึกในรูปเดินยืนครั้งหนึ่งเรายืนออกไอเราเนี่ยสกายาทิฏฐินั่นมันก็ถูกละเป็นตะพังข้าประหารไปถูกละไปเป็นขนาดกั เพราะอาศัยปัญญาเราไปตามรู้รูปยิรยาบทตามตามเป็นจริงรูปนั่งเป็นรูปนอ น, น, อนรูปยืนรูปเดินมันก็ไปทําลายเรานั่งเรา น, รา น, านอนเรายืนเร า, นนานเดินออกไปนี่อนุสัยกิเลสอย่างละเอียดมันถูกลากไปแต่ไม่ใช่ทิฏฐิกิเลสถูกลากไปอย่างเดียวนะทั้งอวิชชาทั้งตัญหาด้วยโมหะที่มันปิดบังไม่ให้รู้รูปรู้นามแล้วเนี่ย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 สติปัญญามันไปมีกำลังไปเห็นความจริงของรูปของนามเขาว่ารูปนามนั้นเขาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นห น, น้าตาความเบื่อหน่ายในสังขารจึนเกิดขึ้นถามว่าความเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยใครเบื่อเบื่อแล้วเบื่ออาหารไม่อร่อยดูโทรทัตน์ไม่สนุกเนี่ยไอตัวธรรมะอะไรเบื่อ โทรศใช่ไหมโทรศะมันเบื่อโอเปลี่ยนเรื่องใหม่ฮเรื่องนี้เอาเรื่องอื่นดีกว่าไม่เห็นมันสนุกอะไรนี่เนี่ยเบื่อเนี่ยโทรศแต่เบื่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาภาพของโทรศะอย่างเดียวนะถ้าเบื่อในรูปนามผันหน้าของเราเนี่ยเบื่อในชีวิตของเราเนี่ยเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์ไอความเบื่อเนี่ยปัญญาปัญญามันไปถอนปัญหาออก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 มันจะถึงร้อยหรือเปล่าเอาแค่ 80, แปดสิบเราก็พระพุทธเจ้าจะอยู่ถึงหรือเปล่าท่านที่เขามางานเขาทิละกก็จองกระถินกรจองกระถินบอกว่ามีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบแลเเอาผมเอาสองพันห้าร้อยหกสิบผมเอาเอา๊ะแต่ผมจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะบ5กสองพันห้าร้ยหกสิบนี้ผมอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยเหน่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 มันก็ช่วยสงเคราะห์เขาเราเรียกว่าเป็ น, นาการช่วยเหลือกิจการงานที่เขาเป็นประโยชน์แต่ใ น, นขั้นของโลกียะกุศลเท่านั้นแหละแม้การไปสร้างคุติวิหารสร้างวัดสร้างวาะระกันต่างๆทั้งหลายเหล่านี้โบสถ์วิหารทั้งนั้นมันก็เป็นกุศลแต่ว่าจะเป็นปัญญาหรือไม่เนี่ยเราต้องพิจารณาเนี่ยบางวัดเนี่ยโบสถ์วิหารชารุดชุดโจงเนี่ยเขาบอกมา บอกว่ากระถินยังไม่มีคนทอดอีกหลายวัดแล้วก็บอกนักศึกษาทัานหนึ่งบอกว่านี่คุณมีสตังค์ช่วยหน่อยไม่ได้เลยเป็นประธานวัดละห้าพันห้าพันห้าพันเท่านั้นแต่แตประธานไม่ใช่คนเดียวนาะโอ้โหประธานเยอะแยะเลยสถานทอดกระถินคนละห้าพันห้าพันเอ๊ผมว่ามันไม่เป็นกระถินนะปัญญประธานบัญเยละเหลนอเกินแ ล, แล้วใครเป็นคนที่ถวายไตรกิวร่ะ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 น่าจะสนับสนุนเพราะนั้นก็อันนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะาเข้าใจการปฏิบัติในทางพระศาสนาเนี่ก็คือจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานน้นให้รู้ความจริงของสภาวะให้เกิดขึ้นทําไมให้เกิดขึ้นล่า ก, กิเลสของเราเองทั้งกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือกิเลสเนี่ยมันถูกละไปตามส่วนละไปตามขั้นตอนของเราคนเคยเสพสุรายาเมาก็เลิกเสพเคยเล่นการพ น, นันก็หยุดเล่นการพ น, นันนี่เห็นหลายคนนักศึกษาเหมือนกันตอนนี้บอกว่าผมก็เล็งๆว่าไอ้สองตัวสามตัวคราวนี้มันจะออกอะไรเนี่ยตังเล็งๆ เ, เดี๋ยวนี้เลิกแล้วว่ามันไม่เป็นสารละทําให้จิตใจเราผูกพันอยู่กับอํานาจของตัณหาโลภะตัณหา ผูกก็ดีใจเสียผิดก็เสียใจมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นสุราใส่บาตรพระดีกว่าได้กุศลแล้ว ไ, ไม่ต้องไปคิดว่าจะเสียหายอะไรกันเนี่ยได้สบายใจดีกว่าเขาก็ค่อยๆเลิกล่าไปแม่เคยเสพสุรายาเามาใครเพื่อนผูงชวนรับประทานเนี่ยก็อบอกเดี๋ยวนี้ผมเลิกแล้วโปรดก็เข้าซะแล้วนะโปรด้็เล่ายาปาปิ่นต่างๆทั้งหลายไม่เอาแล้เพราะมันเป็นเหตุที่จะนําให้ชีวิตเสื่อมไป เลยกลัวแล้วก็ไปแนะนําให้เขาเลิกบัตแต่เขาไม่เชื่อเขาก็เสพซะต่อไปคนเชื่อก็เออก็ปล่อยศรัทธามาเขาก็ได้ประโยชน์แต่เขาไม่มีศรัทธามาเขาเขาไม่ได้รับประโยชน์เพราะนั้นการที่จะให้บุคคลเข้าหาธรรมะตั้งอยู่ในธรรมนี่จึงยากก็อยู่ที่การศึกษาเล่าเรียนกับการปฏิบัติเรียนไปเพื่อไปปฏิบัติเพราะนั้นการเรียนนี่ท่านบอกต้องเรียนให้ถูกนะ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 มีอยู่บุคคลเดียวคือพระอาหารหันต์ท่านรับอารมณ์เป็นฉลังคู่เบกขาแล้วไม่ได้ยินดียินได้ในอารมณ์ก็เรายังเป็นปุถุชนอยู่กิเลสยังเต็มแป้่เลยจะเอาธรรมะของพระอาหารหันต์มาคิดเนี่ยไม่ได้ผิดทําให้จิตว่างสออาดสว่างสงบอะไรนี้ไม่ได้นั่นจิตของพระอาหารหันต์ท่านเป็นได้ท่านไม่เกี่ยวเกี่ยวกับอํานาจของอาสวะกิเลสใดๆท่านละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วของเรานี่ กิเลสมันยังเป็นเจ้าของใจครอบงมคิดใจเราเลยมันยังหวั่นไหวไปตามอารมณ์ของกิเลสอยู่เป็นธรรมดาพราะฉะนั้นเราต้องค อ, อยโยนิโสกันกิเลสกันไว้ถ้าเป็นพระอาหารหันต์เมื่อไหรไม่จงปโยนิโสอายุนิโสมันไม่มีแล้วแล้วรับรู้อารมณ์เป็นกลางเลยเป็นฉลงังคูเบกขาวางใจไม่ได้ยินดียินร้ายต่ออารมณ์นั่นเลยแต่ของเรานี่ยังหวั่นไหวอยู่เพราะเหตุนั่นแหละการปฏิบัติ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 รูปนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรนามนี้เกิดขึ้ น, านจากปัจจัยอะไรเขาจะเห็นปัจจัยที่ทําให้เกิดก่อนเนี่ยอย่างเสียงนกร้องปุ๊บเนี่ยเราู้แล้วเนี่ยไอ้นามได้ยินเนี่ยมันมาจากสัตวทรูปเสียงมันกระทุบผู้รอหรือเราขยับไปเยื่ยนเคลื่อนไหวตัวเราเองเนี่ยเนี่ยไอ้นามมันสั่งให้ขยื่อนเคลื่อนไหวนามอะไรที่มันสั่งกิเลสมันสั่งหรือปัญญามันสั่งให้แก้ทุกข์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 เขาให้รู้เถอะโลภะจิตความโลภเกิดขึ้นในใจของเราก็รู้โทสะเกิดขึ้นก็รู้ให้รู้เท่านั้นแหละเขาหมดไปโดยอาศัยปัญญานี่ยแหละไปขับไล่กิเลสต่างๆทั้งหลายปัญญาก็ไปทําลายโมหะทําลายอาวิชชาอาวิชชาถูกทําลายแล้วเนี่ยเขาไปสนับสนุนโลภะโทสะให้เกิดขึ้นไม่ได้อวิชชาเนี่ยเขาเป็นปันใจจัยให้ให้แก่กิเลสทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้านเราไปรู้ความจริงแล้วแล้วก็กิเลสก็นิ่งสงบแล้ว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 ยังไม่เกิดนะเพราะไม่ได้ดูรูปดูนามต้องดูรูปดูนามดูรูปดูนามแล้ววิปัสนาปัญญาจะเกิดได้ออยังยังต้องให้เวลาเขาต้องอาศัยอบรมให้สติปัญญา น, นั่นแหละเขามีกาลังแก่กล้าถ้าสติอ่อนปัญญาอ่อนยังไม่เห็นรูปเห็นนามนี่ต้องอาศัยการปฏิบัติต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น แล้วก็ไม่ใช่วันสองวันนะอย่างคนที่มาปฏิบัติเนี่จะรู้เลยถ้าเรามาสองวันสาวันเนี่ยอารมณ์ของกิเลสที่บ้านมันยังตามมาอยู่เลยอย่างการเขาออกไปไม่ได้มันจะทําให้ฟุ้งไปคิดถึงที่บ้านคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงหรือถ้าการงานยังตกค้างอยู่ยังมีค้างอยู่เนี่ยเอาละมันจะไปสรพเป็นปริโพน์ในกรรมในการงานของเราที่ยังค้างอยู่ในกิเลสมันติดตามมาท่วง ให้กลับกลับบ้านเธอไปทำงานเธอมันกลับถ่วเพราะฉะนั้นใครจะมาได้เนี่ยต้องขอลาคะนะขอลาใครละ่ะขอลากิเลสนะขออนุ ญ, ญาตลาไปอบรมกรรมฐานาสักติดสองวันเธอเนี่ยบางคนบอกสิบสองวันแล้วเนี่ยเองไม่ได้ฉะแล้วฉันได้ห้าวันแค่นั้นนะน่ะถามว่าใครบอกได้ห้าวันลนะ่ะเราบอกหรือกิเลสมันบอก กิเลศมันมบอกเอาแค่ห้าวันนะอย่าไปเอาเลยไว้ขราหน้ามาใหม่ดีกว่านี่มีอย่างนี้ก็มีนะแล้วไม่มีทุรักทาฟังอะไรหรอกแต่กิเลศก็บอกเอาแค่นั้นก่อนเขามีขอบเขตเพราะนั้นบางคนขออนุ ญ, ญาตกิเลศมาแล้วกิเลศให้มาแล้วแหละอยู่ไม่ถึงสิบสองวันนี่อยู่ไม่ถึงแล้วเนี่ยไม่ถึงแล้วมันมีเหตุอ้าวตายจริงยาที่เอามามันหมดแล้ว ต้องลับไปแล้วสียาหมดแล้วไม่เป็นไรโทรศัพท์มีบอกทั้งบ้านรู้ไหมวุ้ยไม่มีใครรู้จักเลยฉันเก็บไว้เฉพาะทีน่นต้องไปให้หมอสั่ง <c oughs> ๆๆก็เลยจบกันเลยนะเลยต้องไปเราก็ไม่ห้ามไม่ห้ามนะครับเรมีความจําเป็นๆๆ น, นะค่อยดูเธอไอ้กิเลสมันจะใช้เราทุกแง่ทุกมุมที่เขาใช้นี่ถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อม แ, แล้วเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสแต่และตัวละตัวนี่มันโผล่หน้าออกมาสลอนสลอนสลอนทีเดียว มันจะชนชักให้เราเลิกปฏิบัติเลิกกําหนดอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริงว่าการปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องอยากที่กว่าเข็นกลบขึ้นภูเขาต้องอาศัยความเข้าใจต้องอาศัยความสํารวมิสิ่งและต้องวางใจตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงครับไปอยากรู้ก็ไม่ได้เราปฏิบัติเนี่จะปฏิบัติ ด, ดูรูปเดินเยืนนั่งนอนเนี่ยจะดูรูปนั่งจะไปเกรงรูปเพื่อจะ ให้สติตั้งมั่นอยู่รูปผิดเพล่งก็ไม่ได้ปล่อยไปธรรมาตาอา้าวเขาฟุ้งไปแล้วทํำยังไงจะไปเพ่งจิตจะไม่ให้ฟุ้งก็ไม่ได้ให้อยู่กับรูปนี้ไม่ได้อีกเหมือนกันพราะบังคับบัญชาเขาไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติของครเขาแ ล, แล้วเวลาเขาฟุ้งไปเผลอไปทํายังไงอก็เราฝึกหัดสติไปในตัวนั่นแหละวัเผลอไปฟุ้งไปเผลอไปเรารู้ไหมพอเริ่มรู้นะ่ะสติเกิดแล้ว บอกไม่รู้เลยเผลอไปสั้นชั่วโมงครึ่งท้องชั่วโมงมันไปคิดอะไรต่ออะไรต่อเรื่องกันไปเรื่อยไปไอเรื่องนี้จบแล้วไปต่อเรื่องอื่นก่อนต่อเรื่องกันไปเรื่อยไปเนบัติไอเรื่องเดียวกันเ น, นี่ยมันมันรู้แล้วกลับมาเดี๋ยวไปคิดอีกรู้แล้วกลับมาเคิดเพราะอารมณ์นั้นมันผูกพันจิตใจข้งเราผูกพันจิตใจยิ่งมีคนเจ็บไข้ใดป่วยที่บ้านเอ๊ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็พุ่งถึงคนป่วยอ่ามีสติก็เลยเึกษาเดี๋ยวไปอีกรา มันมีปริพ ooth มันมีปริพ ooth เขาเรียกปริพ ooth มันมีอารมณ์ที่ท้ายเรากังวลใจแล้วมันก็ดึงเส้นใจของเราออกไปเพราะนั่นคนที่จะเอาชนะกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยต้องปลดเรื่องปริโภ o t h ต่างๆทั้งหลายนี่ออกปลดภาระกังวลต่างๆทั้งหลายออกไปจากใจของเราตอนนี้ขอโอกาสขอเวลาที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท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 หัวข้อที่สี่ว่าทำที่เป็นอุปการะต่อการเจริญวิปัสนากรรมฐานมีอย่างไรข้อห้าทำที่เป็นอุปสรรคคือเป็นเครื่องปิดบังไฝ่ลักนั้นได้แก่อะไรข้อหกว่าการเจริญวิปัสนากรรมฐานจะต้องทําอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกับสติปัฏฐานนั่นแหละประเจติสติปัฏฐานคืออะไรแล้วเราเจริญสติปัฏฐานเฉพาะในกายานุปัสนาสติปัฏฐาน แต่เพราะในอิริยาบทสอบพระเนี่ยพิจารณาอิริยาบถนี่จะทํำยังไงทั้งหมดอารมณ์ของสติปัฏฐานทั้งหมดมีสี่สิบสี่อารมณ์แต่ที่สํานักเราเนี่ยเอามาอารมณ์เดียวเท่านั้นแหละเอาอิริยาบทสอบพระเฉพาะอิริยาบทสอบพระจะสามารถทําให้แจ้งสนิพานได้ไหมได้ทําให้พ้นทุกข์ได้ไหมได้ไม่ต้องเอาหมดเอาหมดทั้ง ทั้งสีิบสี่ละหรือตั้งเอาหมดสองต้นอย่างไม่ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ในอยรยาบทสัพพะดูรูปเดินยืนนั่งนอนเราอย่างเดียวเท่านั้นไปถึงได้ก็อนนทก็รู้ีิริยาบทรูียริยาบทท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะอาศัยียริยาบทมีหลายท่านที่อาศัยียรยาบทเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้มากเหมืนกัเพราะนั้นในประการแรกบอกว่า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 ปัญญาไว้ในสัมมาทิฏฐิสุดว่าด้วยความเห็นชอบเห็นถูกไว้หกอย่างปัญญาในสัมมาทิฏฐิสุดมีหกประการแต่ปัญญามีเยอะจะเอาเฉพาะที่แสดงไว้ในสัมมาทิฏฐิสุดว่าหกอย่างหนึ่งกรร ม, ม, ส, ส, มรสักตาสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องผลของกรรมปัญญาอันแรกที่พระพุทธเจ้าให้เราทราบเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม กรรมคืออะไรอาารบอกเจตนาหั่งพิกเวกรรมมังวัานิมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่ยแหละคือกรรมบุคคลที่จะจะทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนี่ต้องมีเจตนาเป็นตัวไปกระตุ้นไปทำมีทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมฌานฌานสมาทิฏฐิฌานพวกฌานพวกธรรมฌาน ทาฌานโชกเทอสละ อ, น, อนูฌานสมาธิธิพูดทำจิตให้สงบทําสมถาะาสมถามได้รูปฌานอรูปฌานข่มกิเลสที่วอนไว้นี่ก็เป็นความเห็นถูกเหมือนกันเพราะงั้นผิดเราฟุ้งซ้มไปในอารมณ์ต่างๆก็ข่มเอาไว้เป็นฌานสมา ธ, ธิส่วนประการที่สามเนี่ยวิปัสสนาสมา ธ, ธินี่เป็นปัญญาโดยตรง ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นทำธุระในพระศาสนาเนี่ยต้องอบรมให้วิปัสสนาสมาทิฐิเกิดสมาทิฐิฌานสมาทิฐิวิปัสสนาวิปัสสนากรรมะกรรมสกตาสมาทิฐิรู้กรรมรู้ผลของทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วเราฆ่าสับดาติชีวิตเราทำร้ายเขาเราก็อายุสั้น เรารักษาศีลก็อายุยืนได้รับความสุขไม่ต้องไปรับโทษภัยทางอาญาต่างๆทั้งหลายส่วนวิปัสสนาสมาธิในปัญญานี้ไปเห็นความจริงของรูปนามเห็นรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเห็นรูปนามเกิดดับเห็นเกิดดับนั่นกรู้ว่ารูปนามนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเห็นแล้วต่อไปปัญญาในมรรค ปัญญานี้เข้าไปแจ้งพรนิพพานเลือกมัคคสมาทิฏฐิมัคคัมาทิฏฐิเนี่ยไปแจ้งพนิพพานพร้อมกันกับละหารอนุสัยกิเลสละมิจฉาทิฏฐิละวิจิกิจฉาละโทสักะตามาราชกามราคาอนุสัยรู้จักในการทําจิตให้สงบทําสมาธินั่แหละพวกฤาษีชีพไทยคนพระพุทธเจ้าเขาก็รู้จักกันนะทําจิตให้สงบ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 เราจึงเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารจึงจะแจ้งพรนิพพานได้แจ้งพนิพพานมัตสมาทิฐิก็เกิดปัญญาไปเห็นนิพพานก็ไถ่ถอนอนุสัยกิเลสละเป็นสมุเทเฉดปรหารได้เป็นอย่างๆไปไม่ได้ละกีเดียวทั้งหมดอนุสัยกิเลสเจ็ดอย่างกามราคานุสยัยภาวะราคานุสยัยทิฏฐานุสยัยปฏิคานุสยัยวิจิกิจฉานุสยัยกับ มานานุสัยปัจเวกขณะสมาธิติพิจารณาปัจเวกนี่แปลว่าพิจารณามอแมงกาดมอแมงกาดคอควายอมักหรือมอรอหันก็ได้ถ้าเป็นภาษาชันส ก, กิจใช้มอรอหันว่ามักถ้าเป็นภาษาไทยก็มอแมงกาดคอควายเป็นมักมักค้ารูปรูปนามเขาไม่เที่ยง แล้วเราก็าไปเห็นเขาปัญญาเขาไปเห็นเขารูปน้ําเขาไม่เที่ยงเราไม่ได้ไปเราไม่ไปทําให้รูปน้ําไม่เที่ยงนะรูปน้ําก็เป็นธรรมชาติเที่ยเขาเกิดดับไม่เที่ยงของเท้าอยู่แล้วแหละแต่เรามองไม่เห็นเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราแก่ลงทุกวิานาทีเนี่ยนะฮะมันเกิดดับเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเรามองไม่เห็นเขาหน้าไม่เห็นหน้าหน้ ก็รูปนามเรายังไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเนี้ยอนะรูปนามเป็นยังไงเรายังไม่รู้จักเลยต้องไปรู้รูปรู้นามก่อนตอนนี้เราไปรู้รูปนั่งรูปนั่งก่อนเดี๋ยวรูปนั่งปวดเมื่อยเป็นทุกข์แล้วต้องทํายังไงนะฮะไอ้เปลี่ยนนี่แหละไม่เที่ยงเราถึงจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นตอนเปลี่ยนนี่โอ้ยังยังไม่เห็นจริงๆเรกยังตามรู้ตามคิดนึกเขัจะไงถ้าเห็นความไม่เที่ยงต้องเห็นในขณะที่นั่งอยู่นั่นน่ะ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 มัคควิถีแล้วเนี่ยเพราะทำกิจในการประหารกิเลสแค่ใจก็ตามรู้ทีเดียวตามรู้ว่ามัคจิตเกิดขึ้นกับเราแล้วผลในจิตเกิดขึ้นกับเราแล้วนิพพานเกิดขึ้นกับเราแล้วจะรู้พื้นฐานนี้ก่อนแล้วต่อไปถ้าศึกษาละเอียดกิเลสอะไรที่ละได้แล้วกิเลสอะไรที่ยังเหลืออยู่นี่จะรู้ด้วยพอโสดาปณิตมักในละวิถิละวิถีกิจช้าออกแล้วทันทีมีปริยัติ ามั่นคงในการศึกษาแล้วก็จะรู้ติกิเลสอะไรทีละได้แล้วแต่ท่านที่ไม่ได้มั่นคงในปริยัติเนี่ยท่านไม่ได้ไปจําจำหรับจําราไว้ท่านจะรู้เพียงมรรคจิตผลรรจิตนิพพานอารมณ์สาม อ, อ, อย่างเนี่ยรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างเนี่ยก็ถือว่าปัจจเวคขณะได้พิจารณาแล้ว่ท่านบนรรลุแล้วท่านบนรรลุแล้วเป็นพระอาริยะบุคคลนี่ยเข้าไปแจ้งพระนิพพานแล้ว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 ผู้ปฏิบัติเองนะเห็นเองรู้เองเห็นเองมรรคจิตเกิดผลระจิตเกิดต่อไปเนี่ยเป็นอากาลิโกเสร็จสิส้นวิถีจิตแล้วนะเป็นปัจจเวคขณะมาพิจารณาอ๋อเราถึงแฐฐ ด, งด้มรรคจิตผลจิตนี่โสดาภติมรรคเกิดขึ้นกับเราแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นอริยะบุคคลขั้นพระสโสดาบันบุคคลแล้วตัวเราเองรู้ไม่ต้องให้ใครมาบอกแต่ว่าคนที่เคยเป็นอริยะแล้วรู้ได้ พอสนทนากันพ ร, ระรู้ได้ท่านไม่ใช่คนธรรมาดาแต่ถ้าผูุ้ชนไปถามพระอริยะก็ไม่รู้นหะมนใครบอกหลวงตามมหาบัวเป็นพระหลานเลยเราไม่ใช่พระหลานเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันนี่นะฮะเรารู้ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอันนี้เพราะนั้นอันแรกความหมายของวิปัสสนานะบอกเป็นชื่อของปัญญาก็เป็นประเภทที่สาม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 เห็นสภาวะธรรมเขามีอยู่ธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาทาั้นบังค้าบัญชาเขาไม่ได้บนี่อันใดอันหนึ่งก็ตามเรียกว่าใจลักแล้วเห็นอย่างนี้แล้วมีประโยชน์มากเพราะเขาจะเป็นปัใจจัยให้แก่อันที่สี่มัคคสมมาทิฏฐิถ้าวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดมัคคสมาทิฏฐิก็ไม่เกิดเหมือนกันเกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นวิปัสสนา สมาทิฐินี่แหละจะเป็นปัจจัยที่จะให้เข้าไปแจ้งปณิพันธ์ให้ปัญญาแจ้งปณิพันธ์แล้วประหารอนุสัยกิเลสได้เป็นสมุเทเจตตะหา์แล้วก็มรรคสมาธิฏฐินี่แหละก็จะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาทิฏฐิทันทีที่มรรคจิต ด, ดับไปผลจิตก็เกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นเป็นอากาลิโกผลจิตก็เสเวยนิพันธ์เป็นอารมณ์แต่ไม่ต้องไปทําจิตปรหารอนุสัยกิเลสใดๆแล้ว เมือนเราเสร็จกิจแล้วเนี่ยก็เปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบเหมือนพระราชาที่ไปปราบอริราชศัตรูไปปราบพวกกบฏราบขาบแล้วท่นานก็อยู่พักอยู่ในพระนคร น, นั้นดูความสงบร่มเย็นผลนจิตก็คล้ายๆกันแต่ถ้าในขณะปราบศัตรูนั้นเป็นมั่งทำกิจในการะหารห่สุดคือกิเลสส่วนปัจจเวกขณะวิถีนี่ในปัจจเวกขณะสมาธิเนี่ยรับรองผลงานที่ท่านได้ทำ มรรคจิตเราสําเร็จแล้โสดาภติมรรคไม่ก เ, เกิดขึ้นแก่เราแล้วนะความเห็นผิดหมดความวิจิตรช้าสงสัยหมดไม่มีแล้วแกจิตใจของเราและจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่เป็นสมุดเจตประหารสิ่งที่เคยมีแล้วหมดไปโดยเด็ดขาดนี่เป็นวิปัสสนาสมมาทิฏฐิถ้าไปรูรปรูปนามนั่นเองไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่นเพราะนั้นวิปัสสนานี่จะต้องอาศัยรูปนามเป็นอารมณ์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 มันเป็นปฏิกูลทั้งนั้นอ่ะเป็นปฏิกูลเหงื่อไค่ต่างๆทั้งหลายมันก็ะอยู่เกลือบปากแต่ว่าเราไปเห็นเป็นความสวยความงามเนี่ยวิปลาสซึ่งความเป็นจริงแล้วก็เป็นของไม่สวยไม่งามรูปกายของเราเต็มไปด้วยเหงื่อไค่น้ำเหลืองน้ำหนองอะไรมากมายกายกล้องไ่แต่ใครเห็นเป็นของสวยของงามเนี่ผิดวิปลาสเห็นเวทนาเป็นสุขสุขกายสบายใจแกเราได้ เวทนานั้นก็เป็นสภาวะธรรมเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเขาเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเราหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ขนาดใดเราทนอยู่ได้นิดหนึ่งนั่นแหละเราเรียกว่าสุขและเหล็กวิปริณามัทุกเวทนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทุกข์นั่นแหละเราสําคัญว่าเป็นสุขเราเปลี่ยนยาบทใหม่ๆสําคัญว่าเป็นสุข แต่ที่จริงยาบทใหม่นั้นประเดี๋ยวก็ทุกข์อีกนะแต่เล็กวิปรินามมะทุกข์สุขที่เราเข้าใจเป็นสุขนั่นคือวิปรินามะทุกข์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขส่วนนิจ่าวิปลาสนี้สําคัญว่าเที่ยงมันคงขาวรอ ย, อยู่ไม่มีการแตกดับไม่มีการสลายคไปเนี่ยโดยมากก็สําคัญจิตเราเนี่ยเที่ยงเพราะจิตเป็นนามธรรมาเห็นอย่างก็รู้ตั้งแต่เกิดมาเราชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรเป็นใครเนี่ย เราก็จําได้เรื่อยมันถึงสาคัญว่าจิตเนี่ ย, เ, ยเที่ยงส่วนสําคัญว่ารูปนามกัรหน้าเป็นอัตตาตัวตนในอัตตาวิปาัาสนาพอวิปัสนาปัญญาเกิดในวิปัาสนาทั้งสี่ประการเนี่ยถูกทําลายไปหมดเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นประโยชน์ที่สุดของวิปัสนาก็ทําให้หมดจดจากกิเลสทําให้แจ้งผลิพานพ้นจากทุกทังปวงส่วนในประการที่สามารถอารมณ์ของวิปัสนาได้แก่อะไร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 กิเลสใดๆเขาอาศัยไม่ได้พระพุทธองค์แสดงอารมณ์ของวิปัสนาเรียกว่าวิปัสนาภูมิภพก็คือขันห้าขันห้าก็คือรู ป, ปรขันห้านา ม, มาขันเสี่รูปกับนำแยกขยายไปจากรูปจากนามนั่นเองอายตนะสิบสองก็รูปอายตนะสิบมาน า, ายตนะคือนามอายตนะส่วนธรรมายตนะก็ทั้งรูปทั้งนามธาตุสิบแปด รูปธาตุสิบเขาเรียกโอลาริกรูปสิบสองภาษาธาตุรูปห้ากับวิศยรูปเจ็ดเขามากระทบกันประชุมกันนี่เป็นรูปธาตุต่อรูปธาตุกระทบกันสิบสองรูปแต่ว่าเป็นอายตนะสิบอายตนะจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะกิวหายตนะกายายตนะลูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรษายตนะ โธทายาทนาในวิศสยารูปโอลาลิกรูปสิบสองอายรูปอายตนาสิจิตทั้งหมดเป็นมานายัตนานนนามส่วนที่เหลือจากโอลาลิกรูปก็คือสุขุมรูปสิบหกเจตสิกรวมถึงนิพานด้วยเป็นธรรมายัตนาส่วนอินทรีย์ก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีรูปอินทรีย์แปนามอินทรีย์แปด สัจจคะว่าทุกขสัจจค่ะเนี่ยรูปนามที่เป็นไปในโลกโลกียะสัจจค่ะโลกียะจิตแปดสิบเอดเจตสิกห้าสิบเอดเว้นโลภะรูปยี่สิบปดที่ยังเป็นไปในโลกในกามาภูมิในรู ป, ปรภูมินั่นแหละนิโรธสัจจค่ะพระนิพพานเนี่ยเป็นนิโรธสัจจค่ะเป็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นสงเคราะห์เป็นนามธรรมามรรคสัจจคะนี่เป็นเจตสิก ที่เป็นองค์มากตัดตัวนี่ก็เป็นนามนะแล้วก็รูป อ, อริยสัจสีนี่เรารู้รูปนามเท่านั้นแหละจิตของอริยสัจจะทำทั้งสี่ประการนี่เขาดาเนินไปพร้อมกันรู้ทุกนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นไม่ได้สมุทัยเกิดขึ้นไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ เ, เป็นปัจจัยให้แจ้งพระนิพพานมากเท่านั้นแล้วก็ให้ตัวรู้ทุกนั่นแหละเป็นตัวมัด นากรีศัพท์จะทำทั้งสประการเนี่ยเขาทำปานพร้อมกันขณะกําหนดรู้ทุกข์นั่นแหละลักษมุทัยด้วยทํานิโรธให้แจ้งด้วยจเจริญมรรคด้วยนี่ก็คือมีรูปนามปฏิจจสุบาทก็สแสดงถึงเหตุปัจจัยของนามของรูปที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันให้มีการเกิดขึ้นและดับเอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายยตนา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 นามรูปเป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงที่เรียกว่าปรมัตา ธ, ธรรมหรืออริยสัจธรรมมีทุกสัจจะเป็นต้นนามรูปของเราเนี่ยทั้งตัวเราเนี่ยขันธ์ห้านี่เป็นทุกถ้าแยกออกไปแล้วนามก็คือธรรมชาติรู้อารมณ์เห็นได้ได้ ย, ยินได้ได้กิ่นรู้รส ถ, ถูกต้องสัมผัสคิดนึกอารมณ์ได้โดยปรมัจาธรรมแล้วก็ได้เกิดจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ได้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 ก็เป็นปัจจัยตรงแก่นกันประนามรูปนั่นเองส่วนนามรูปปรากฏที่ไหนเขาบอกว่าปรากฏขึ้นขณะรับอารมณ์ตอนถวานทั้งหกเช่นยังไงเช่นเวลาเห็นทางตาสีคือรูปอารมณ์กับจักขคู่ประสาทสีกับตาตานีนหมายถึงจกักรคู่ประสาทรูปเป็นรูปส่วนที่เห็นนั่นเป็นนามจากักขคูวิญญาณกิดเห็น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 สัมผัสถูกต้องทางกายให้รู้สึกแข็งอ่อนเย็นร้อนเก้งตึงเคลื่อนๆๆไหวนี่เป็นรูปกายยาประสาทนี่ก็เป็นรูปรู้สึกถูกต้องสัมผัสนั้นเป็นนามรู้สึกถูกต้องสัมผัสแต่งกายประสาทรู้สึกตรงไหนก็ในความรู้สึกนั่นเป็นนามเรียกว่ากายยาวิญญาณจิตทางใจก็เดินยืนนั่งนอนเป็นรูปรู้ว่าเดินรู้ว่ายืนรู้ว่านั่งรู้ว่านอนเป็นนามหรือทางใจคิดนึกวุ่นวุ่งสงบ เป็นนามรู้ว่าคิดนึกรู้ว่าง่วงรู้ว่าสงบนามนามไปรู้นามด้วยครับทางใจนี่ก็รู้ได้ทั้งรูปทั้งนามรู้ได้สองอย่างครับก็โครงจาวัยสามจุดสี่ข้อนีก่อนนะแล้วเช้าเราจะมาต่อกันอีกนิดหนึ่งอ่ะทีนี้ตอนเช้านี่ตามเวลากําหนดการบอกว่าหกนาฬิกาเราจะทําวัดเช้า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 ขึ้นต้นเท่านั้นแหละขอให้ขึ้นต้นเท่านั้นแหละแล้วพวกเราตามไปตามไปขอให้ขึ้นต้นนั่นแหะอ่าอ่าให้ท่านนำขึ้นต้นนิดนนอย่างนะโยโซโภะกาวาเดี๋ยวเขาก็ะ ป, ปรือไปตามไปนะกับแล้วมีหนังสือหนังสือแจกนะฮะก็ตอนเช่านี้บนท่านท่านนำโดยนะคะรับเร็วขึ้นมาเนี่ยตีหนะ้าสี่สิบ้านัดดีกันเลยมาพลกัน ตีห้ 5, าี่สิบ้านีมาป้อมกันนะแดีวอย่างน้นเดี๋ย ว, ยวแต่ว่าก็ยังมืดอยู่นะฮะตีห้าสี่สิบ้านาทีก็ยังมืดอยู่แต่ว่าพระท่านทําวัดไปบิณฑบาตกันแล้วครันะบาวนนี้ก็หยุดพักฮนะครั้งแรกเท่าตีสี่ครั้งแรกพระทําวัดกันตีสนะี่าะตีห้าจะข้ออีกทีหนึ่งเราก็เตรียมตัวออกมาตีห้ามาป้องกันประมาณ ตีห้าสี่สิบห้านาทีนะทาธุรกรรส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตีห้าสี่สิห้านาทีก็มาพร้อมกันที่นะี่นะครับเกือบเกบกโมงแล้วนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ก็ขอยุติเพียงแค่นี้เพราะความเจริญพระสุขมีปัญญาจงบังเกิดแก่ทุกท่านโดยทั่วกันด้วยคือก็เชิญไหว้พระและแสดสุข